หน้ายี่สิบเจ็ดซ้าทวนอีกนิดหน่อยในกลางๆหน้าที่กล่าวว่าพระเทระเมื่อจะกล่าวถึงคําที่แสดงโยนิโสมนัสิการว่าเอวังที่แปลว่าอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยหมายถึงโยนิโสมนัสิการอ่วิธีโยนิโสมนัสิการที่กล่าวก็คือธรรมะเหล่านี้เราเพ่งด้วยใจ แพงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิแปลว่าใจของท่านเนี่ยได้โครจรท่องเที่ยวไปในพุทธพจน์ทุกๆคำแล้วความเข้าใจในพระพุทธพจน์เหล่านั้นก็เป็นไปอย่างดีจริงอยู่ปริยติธรรมเราเพ่งด้วยใจโดยในมีอทิคือโดยในเป็นต้นว่าเศีลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้คือเห็นเลยว่าพุทธพจน์บทเนี้ยหมายถึงศีย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 แต่ละคำเนี่ยหมายถึงอริยสัจข้อใดบทนี้หมายถึงทุกขสัจบทนี้หมายถึงสมุทยัยสัจบทนี้หมายถึงนิโรสัจจะบทนี้มรรคสัจจะบทนี้มรรคที่เป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะมีการชี้แจงในนั้นบัณฑ์นคนที่เพ่งด้วยดีด้วยใจเนี่ยนะตามคี้ใครครวนมากจะเห็นอริยสัจเห็นศีลสมถาวิปัสสนาแล้วก็เห็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงต่อกันได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ยังแทงกําหนดแทงตลอดด้วยดีซึ่งรูปประธรรมและอะรูปประธรรมรูปประธรรมตรงนี้เรียกว่าขันเรียกาธาตเรียกอายตนะหรือเรียกว่าเป็นอินทรีย์หรือเป็นปฏิจจสมุปาฏิยนะดังนี้รูปรูปมีประมาณนะนะรูปมีดังนี้รูปมีประมาณเท่านี้ถ้าประโยคที่เต็มก็บอกว่านี้รูปรูปเนี้ยมีเท่านี้ไม่เกินไปกว่านี้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 ดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ความดับไปแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห ah mmm kind of ่งวิญญาณดังนี้ความดับไปแห่งวิญญาณอันนี้ความเกิดนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอรสัจจะเป็นสมุทัยสัจจะเพราะตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกขสัจจะความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็น สมุทัยสัจจะความดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับปิญญาณเป็นนิโร ส, สัจจะนี่นะข้อปฏิบัติที่ไปเห็นดังนี้เป็นมัคสัจจะอันผู้ที่มีการไข่ครวญมากๆด้วยด้วยทิฏฐิทิฏฐิคือในที่นี้เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิะนะเป็นชื่อของปัญญาที่เป็นสุตมยะปัญญาเป็นต้นอันประกอบด้วยการตรึกตามอาการที่ได้ฟังมา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 เพราะว่าผู้ที่ไข้ครวนธรรมะเนี่ยนะแล้วก็ถ้าทรงจําด้วยแล้วก็คิดทุกคําทุกคําที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยเขามีความสุขนะมีความสุขมากานะเกิดปีติเกิดปราโมทแล้วถ้าเพ่งอย่างนี้มีความเข้าใจที่ลึกซึง้งก็สามารถที่จะเอามาบอกเล่าให้ผู้อื่นฟังด้วยใช้ศัพท์ที่ง่ายๆเข้าใจไม่ยากนะนะพระเถระเมื่อจะกล่าวคําอันแสดงถึงการประกอบในการฟังว่า สุดตังดังนี้จึงแสดงว่าธรรมะเป็นอันมากเราได้ฟังแล้วทรงจำไว้แล้วคล่องปากแล้วจึงอยู่การฟังการทรงจำและการสะสมพระประยิยติธรรมเนื่องด้วยการเงี้ยโสดสัดับนะเพราะเงี้ยโสดสัดับจึงจะสามารถทรงจำเอาไว้ได้สมัยนี้ก็เอาไปท่องไว้เลยบา ง, งบางแห่งนี้กล่าวไว้เลยว่าผู้ที่ทรงจาปรยิยตเนี่ยนะที่ไม่พ้นทุกข์ไม่มีรอก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 สตินสินเซนะเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาจิตตาธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานคนที่เจริญสติปัฏฐานถูกต้องจริงๆเนี่ยจิตจะตั้งมั่นนะไม่ใช่ยิ่งเจริญยิ่งฟุง้งยิ่งเจริญจิตย่อมตั้งมัน่นเพราะกายานุปัสนาถ้าเจริญถูกต้องเนี่ยได้ชางกายานุปัสนาเนี่ยถ้าเจริญถูกต้องเนี่ยได้ช่างวิปัสนาที่มีกําลังเนี่ยนำมาซึ่งสมาธิ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 ที่จะบัญญัติพยัญชนะให้ครอบคลุมพระธรรมได้ถูกต้องจริงๆคือพระพุทธเจ้าและสมุดฐานที่จะทำให้บัญญัติธรรมวินัยได้ครอบคลุมนั้นก็คืออสสาธรณญยานหเวสารชยานสี่เนี่ยนะทศพลยานสิบเป็นต้นคุณธรรมเหล่านั้นนี่แหละที่จะทำให้บัญญัติธรรมวินัยได้มันก็จากข้อความที่อัตกถาอธิบายคาว่าเอวเมสุตังเอวเมสุตัง ก็คงพอมีศรัท ธ, ธาตามสมควรทีนี้มาดูนะเอกังสมัยังพะควาก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพะควาเลยนะในหน้า37เลองดูนะที่พะควาแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในย่อหน้าตรงกลางบอกว่าบทว่าพะควานี่เป็นคำบ่งถึงครูนะเพราะว่าพักวา่าพัวันเนี่ยหมายถึงเขาพูดถึงคนที่เคารพที่เขาเคารพที่สุด จริงอยู่ชาวโลกเรียกครูว่าพักวาก็พระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นครูของสัตว์สัตว์เพราะเป็นผู้วิเศษโดยคุณทั้งปวงคำว่าครูในที่นี้เนี่ยแปลว่าผู้ชี้แนะผู้แนะนำประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแนะนำประโยชน์ตนแนะนำประโยชน์ผู้อื่นแนะนำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแนะนาประโยชน์ที่ลึก แนะนําประโยชน์ที่กว้างขวางแนะนําประโยชน์ประโยชน์ที่ปกปิดเอาไว้กิจของครูของพระพุทธเจ้าก็แนะนําประโยชน์เหล่านี้โดยประการทั้งปวงโบราณอาจารย์ทั้งหลายโบราณอาจารย์นี่หมายถึงพระอาหารหันต์สมัยพระอะระอาหันต์เนี่ยนะสมัยก่อนพศ .900 เนี่ยท่านกล่าวเป็นประพันธ์คถาว่าพัควาติวจนังเศษถังพัควาติวจะนะมุตตะมังเป็นต้นเนี่ย คำว่าพักวารเนี่ยนะพัวาติวจันนังเศธถังเศธถังตัวนั้นแปลว่าพักวาเนี่ยเป็นคําที่ประเสริฐที่สุดอย่างเช่นถ้าเศถะตัวนี้เช่นน่ะเศธาก็คือผู้ที่เป็นพี่ที่สุดอ่ะเป็นคนที่โตที่สุดอ่ะเป็นลูกคนโตเป็นต้นพระพุทธเจ้าถือว่าท่านประเสริฐที่สุดโตที่สุดในหมูสัตว์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เป็นต้นพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุด คำว่าพักวานี้เป็นคําที่สูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ควรแก่ความเคารพโดยฐานะเป็นครูเพราะฉะนั้นพระองค์บัณฑิตจึงเฉลิมคือขนานนามเรียกพระองค์ว่าพักวา 1. คําที่ประเสริฐที่สุดสองคำที่สูงสุดนะนะวจนะมุตตะมังเน่ยนะวจนะบวกอุตมะอุตมะก็คือสูงสุดแล้วในบรรดา คนที่มีถ้อยคําที่สูงที่สุดแล้วท่านดํารงอยู่ในฐานะแห่งความเป็นครูคําว่าประเสริฐสุดท่านกล่าวว่าเศรษฐะเพราะเพียบพร้อมด้วยพระคุณอันประเสริฐคนที่จับสูงที่สุดจะต้องมีคุณที่ประเสริฐที่สุดคุณในท่านี้หมายถึงคุณอะไรอรหันตคุณสัมมาสัมพุทธคุณวิชาจารณะคุณ สุขะโตคือไปดีนะสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธคุณพุทธคุณเก้าพุทธคุณสามพุทธคุณเกหรือว่าอย่างที่เราสรนเสริญสาธยายกันเนี่ยนะพุทธานุสติเป็นต้นพระพระองค์นี่มีคุณธรรมเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งอัฏฐะชื่อว่าวาจะนะเพราะอันเขาเกล่าวบทว่าพักวาติวจนังเศธถังความว่าอัฏฐะที่ควรกล่าวด้วยคําว่าพักวานี้เป็นอัฏฐประเสริฐ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 พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์เห็นว่าหมูสัตฯเนี่ยนะไม่ตรัสรู้อริยสัตฯนี่แหละจึงต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายไปในวัด ต, ตัพบแล้วพบเล่ากระดูกกองโตเท่าภูเขาเป็นต้นน้ําตาล ม, มากกว่าน้ําทะเลเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีกรุณาต้องการให้เขาพ้นจากทุกเหล่านั้นอ่ะกรุณาตัวนี้กระตุ้นเตือนให้พระองค์นี้แสดงธรรมเนื่องจากพระองค์มีคุณสมบัติคือความกรุณาและมีปัญญาที่จะแนะนําคนอื่นได้พระองค์จึงเรียกว่าเป็น พักาวานพันคําว่าพักาวานี้เป็นชื่อของผู้วิเศษด้วยคุณผู้สูงสุดกว่าสัตว์แล้วก็ผู้ควรเคารพโดยฐานะเป็นครูเขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งครูัา ง, งฐานะตัวนี้ปแปล ว, ว่าตําแหน่งก็ได้อยู่แต่ตําแหน่งของครูของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเขาก็มีนิเทศจําแนกอย่างอื่นอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบัณฑิตเฉลิมคือเรียกขานพระนามว่าพักาวาเพราะเป็นผู้มีโชค โชคในที่นี้หมายคขาว่าอะไโชคลาบวาสนาใช่ไหม ก, ก็โชคคําว่าโชคในที่นี้ก็คือเป็นผู้โชคดีอย่างนะโชคดีในอะไรบ้างอะไรที่เขาเรียกว่าดีๆทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้ามีหมดนะที่คนจะชอบพูดว่าโอ้คนนี้เป็นผู้มีบุญจริงเนอมีวาสนาทําไมเป็นคนเคราะดีจริงๆเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้านี่อยู่ในสิ่งเหล่านี้หมดเพราะบางพวกเอ่อบางสูตรพระองค์บอกว่าในบรรดาผู้เคราะดีพระองค์ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เคราะดีเป็นต้น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 ทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีเยอะที่สุดในโลกเนี่ยนะเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีคุณควรแก่เครื่องสักการะขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้จำแนกจำแนกอะไรจำแนกพระปริยติธรรมจำแนกพระวินยัยจำแนกพระสูตรและจำแนกพระอภิธรรมจำแนกกุศลอกุศลอัพยากตะจำแนกดีชั่วบุญบาปขันธาตุอายตนะเป็นต้นพระองค์ชื่อว่าพัวาก็ได้ทาการหัก พัธรรมพัธรรมตัวนี้หมายถึงว่าหักบาปหักอกุศลหักกิเลสโดยประการทั้งปวงพระองค์ก็เป็นครูเนี่ยนะคือผู้ที่มีกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เอื้อเอ็นดูวังให้สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้มีบุญมีบารมีคือเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมามากเป็นผู้ที่มีฐานบาะบารมีศีลบารมีเป็นต้นเนี่ยบำเพ็ญมาได้ด้วยดี เพราะถ้าพระองค์ไม mm ่ม hmm. ีบารมีมาพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ไ <mon> ด้พระองค์นี้เป็นผู้อบรมพระองค์อย่างดีด้วยญาติธรรมเป็นอันมากพระองค์นี้อบรมตัวเองนะเรียกว่าเป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเรียกว่าอบรมตัวเองด้วยคุณธรรมทั้งปวงเรียกว่าหล่อล้อมจิตของพระองค์ด้วยคุณธรรมโดยประการทั้งปวงสุดท้ายพระองค์เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งภพ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 คาถาเป็นว่าภาขยาวาเป็นต้นที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบัณฑิตเฉลิมพระนามว่าพักวะเพราะเป็นผู้มีภาขยะพาขยะนี้แปลว่าเป็นผู้มีส่วนมีส่วนแห่งอะไรโพธิปัจจยธรรมเป็นต้นนะนะเป็นผู้หักกิเลสก็หักราคะโทสะโมหะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีต่อไปเนี่ยนะสูตรต่อๆไปชื่ออ า, อาหุสูตรเป็นต้นเนี่ยจะกล่าวถึงการหักบาปหักอกุศลของพระองค์ พระองค์นี้เป็นผู้ประกอบด้วยพักธรรมก็คือประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆพระองค์เป็นผู้จำแนกก็คือจำแนกธรรมรัตนะเป็นผู้คบคบก็คือคบโลกุตรธรรมเป็นต้นนั่นแหละเป็นผู้คายคายการไปในพบเสียได้นะก็คายตัณหาที่เป็นเหตุนำไปสู่พบใหม่ได้โดยประการทั้งปวง อธิบายเพิ่มเติมว่าชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพักวาเพราะคบภาคยธรรมครบภาคธรรมหรือคายพักธรรมจรึงอยู่ตถาคตเนี่ยย่อมคบย่อมสมาคมเสพทำให้มากซึ่งบา ร, รมีธรรมมีทานศีลเป็นต้นถ้าตั้งคําถามว่าพระพุทธเจ้าเห็นอะไรบ้างแล้วพระองค์ไม่ให้ทานนี่มีไหมมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธาภะไหนบัง่งที่พระองค์ไม่น้อมไปเพื่อให้ทานไม่มีในโลก ท่านให้แม้กระทั่งเรียกว่าสิ่งที่ท่านรักที่สุดนะเนี่ยเรียกว่าอย่าว่าภายนอกเลยไล่ไล่ไล่ไล่มาแม้กระทั่งไอ้ไอย่างเช่นที่จะเห็นได้เพราะตาก็ยังให้ตาเป็นทานเลยอย่างชีวิตนี่อยู่ได้เพราะหัวใจท่านก็ผ่าหัวใจนี่ให้ทานได้ท่านทำได้หมดเลยพันอันนี้เรียกว่าครบครบอะไรนะครบบารมีธรรมมีศีลเป็นต้ น, น, นถ้าใครที่เรียนจริยาปิดกเรียน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 ขณะเดียวกันเนี่ยพักวาเนี่ยเพราะครบคือปรารถนาอย่างยิ่งซึ่งธรรมเหล่านั้นและว่าอย่างไรนาะธรรมเหล่านี้จะเพิ่งบังเกิดขึ้นในสันดานของเวนยัยสั์คือพระองค์เนี่ยมีคุณธรรมเหล่านั้นหมดแล้วใช่ัหมก็ยังหวังว่าเอ๊ะสัจจะได้คุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรดังที่มีในคำพีปฏิสัมพิธามมรรมากรุณาสมาบัติญาณิเทศพระองค์ก็คิดว่า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 เราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราสงบแล้วเราจะให้สัตว์อื่นสงบด้วยเราฝึกเสร็จแล้วเราจะฝึกสัตว์อื่นด้วยๆๆๆเราปาริญนี้ผ่านแล้วจะยังสัตว์อื่นให้ปริญนี้ผ่านด้วยอันนั้นคือความคิดของพระองค์เช้ามืดก็คิดอย่างนี้บบ่าย like. อีกก็คิดอย่างนี้อีกเพราะนั่นไอ้ความคิดแบบนี้ที่มีบ่อยๆอย่างนี้แหละทําให้พระองค์เนี่ยท่องเที่ยวไปใน ดินแดนประเทศอินเดียเนี่ยพระองค์เดินเดินแบบรู ป, ปรกายเนี่ยนะเดินสี่สิบสี่รอบเป็นอย่างน้อยสี่ี่รอบอินเดียนะเพราะพระองค์นี้ท่องเที่ยวไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็ไปเพื่อให้ว่าคุณธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในสันดานของเวนยศัตว์คือแสดงว่าเวนยศัสตร์เนี่ยมีสิ่งที่ไม่มีคุณอยู่ภายในใช่ไหม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 คุณธรรมต่างๆนั้นเราก็หัดเจริญเมตตาไว้ในใจบ้างก็ดีเหมือนกันใช่ไหมขอให้ผู้อื่นมีความสุขบ้างนะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าสักนิดหน่อยก็ยังดีนะว่าเออขอให้ผู้ฟังธรำนี่มีความสุขกันนะอย่างเงี้ยนะคิดๆไม่ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกแปลว่าน้อมไปคิดอย่างนี้บ้างขอให้ผู้อื่นเขามีความสุขนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าภควาเพราะคายคือถ่ายออกซึ่งความเป็นใหญ่และยศ กล่าวคือพักธรรมไม่อะไรขายทิ้งเหมือนบุคคลขายทิ้งก้อนเขลาฉะนั้นจริงอย่างนั้นพระตถาคตนั้นสาคัญสิริราชสมบัติแห่งจกักรพรรดิอันอยู่ในพระหัต์ความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เช่นกับความเป็นใหญ่ในเทวโลกและยศอันรุ่งเรืองอันรุ่งโรดด้วยรัตนะเจ็ดอย่างเป็นที่อาศัยแห่งจกักรพรรดิสมบัติพระองค์มองเห็นว่าเหมือนถูกไฟไหม ตอนที่พระองค์ออกบวชเนี่ยนะพย ม, มานเขาว่าไงนะสิทธิธาอย่าออกบวชเลยอีกเจ็ดวันท่านจะได้เป็นจักรพรรดิแล้วนะอย่าออกไม่เอานะท่านมองว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดเหมือนกับถูกไฟไหม้ตอนที่ท่านทราบว่าท่านได้ลูกชายเนี่ยนะานางพระราหุลเกิดขึ้นนะท่านรักเนี่ยสำนวนว่ารักจดเยื่อในกระดูกบอกนี่เรามีลูกคนเดียวแค่นี้นะยังร้องรักขนาดนี้เลยท่านรู้ละจะต้องทุกข์มากอีกต่อไปแนะ่เพราะ พระลูกคนนี้ถ้ามีลูกเป็นพันจะเดือดร้อนขนาดไหนก็เลยโอ้บวดดีกว่าอ่นพระองค์เนี่ยมองทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยเหมือนกับสิ่งที่ถูกไฟไหม้ก็ถ้าบ้านเรือนเราถูกไฟไหม้เนี่ยนะจะนอนกอะสมบัติหรือขอนีก่อนขอนีก่อนนะนะั้นไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกตมนณสอุปายาตเผาและนอนแช่ทำไมอย่างนพระองค์ก็เลยไม่ทรงอาลัยเนี่ยนะละเสดออกมหาพิเนสกรม พิเนสกรมตัวนี้เขาเรียกว่าออกมหาเนคขมะเนคขมะเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยมีความหมายหลายอย่างเนคขมะหมายถึงศีลก็หมายถึงบรรปชาหมายถึงศีลหมายถึงสมถะวิปัสนาหมายถึงอริยมรรคและก็หมายถึงนิพานก็เลยใช้คําว่ามหาพิเนสกรมก็คือมหาเนคขมะนั่นเองเนคขมะนะเนคขมะบารมีหมายถึงการออกบวชออกบวชและดํารงอยู่ในศีลเจริญสมถะวิปัสนาบรรลุอริยมรรคแทงตลอดพั้นิพาน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 ขายออกจริงๆอ่ะนะขายมนุษย์สมบัติขายจักรพรรดิสมบัติขายทรัพย์สินทั้งมวลที่มีอยู่เนี่ยนะก็ที่ที่มาแห่งคาถามว่าถ้าสมบัติในโลกนี้ที่ที่บุคคลมีอยู่เป็นสิ่งที่ดีจริงทำไมพระพุทธเจ้าจึงจึงออกบวชทำไมท่านจึงออกแล้วก็บำเพ็ญบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะยังไม่พอ ตอนหลังอ่ะพระนันท h เนี่ยนะกําลังแต่งงานเดี๋ยวเรื่องข้างหน้าจะมีนันทสูตรเนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วจะเป็นจักระราชาอยู่แล้วจะขึ้นครองราชอยู่แล้วแต่งงานเสร็จเนี่ยนะนันทะอุ้มบวชตาเออให้บาทเลยยื่นบาทให้พระนันทะพระนันท h ก็ต้องอุ้มบาทตามไอจะถวายคืนก็ไม่กล้านั น, นท h บวชไหมปฏิเสธก็ไม่ได้อีกบวชพระเจ้ า, าค่ะสมัยใจบวชแล้วบวชไม่กี่วันศึกก็ได้บวชแล้วก็ไม่ได้ศึกบรรลุเป็นพระทหาร ตอนหลังเอกพระราหุลเนี่ยนะมาขอสมบัตินะสมณะฉันขอสมบัติเพราะว่าต่อไปเนี่ยโตขึ้นแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นจักรพรรดิมันต้องใช้สมบัติมันขอเธอสมบัติพราะแม่สอนมาให้ไปขอสมบัติกับพ่อคือตอนที่พระพุทธเจ้าท่านออกบวชเนี่ยนะสมบัติขุมทรัพย์เนี่ยมันหายไปพอมันหายไปเนี่ยพระนางพิมพาก็เลยใช้พระราหุลไปขอพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ที่ลูกมาขอเนี่ยสมบัติที่เป็นไปในวะตะัตฏะท่านไม่ให้ ท่านให้สมบัติที่พ้นทุกเลยดีกว่าก็เลยให้บวชเลยเนี่ยนะก็ะคิดดูนะักพระราหูนเนี่ยคือจับพระราหูอายุเจ็ดขวบบวชพระเจ้าสุธโธธนะร้องให้เลยหมดแน่หมดแนว่วงนี้หมดแน่นะตอนแรกก็หวังพระนันทะใช่ไหมครองราชนันธาบวชแล้วก็หวังพระราหูครองราชพระราหูก็บวชอีกแล้วร้องให้เลยที่มาว่าถ้าใครจะบวชต้องขออนุญาตพ่อแม่ก่อนพระเจ้าสุธโธธนะขอพรเอานไะว้อย่างนั้น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 ก็มีเท่านั้นนะเทนี้ถ้าหากว่าไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะจะถูกประหารอีกกี่ชาติเนาเชื่อว่าพักวาเพราะไปคือเป็นไปพร้อมนักษัตริย์ชื่อว่าพาเหล่านั้นคือเป็นความงามอันอาศัยโลกเป็นที่รองรับเช่นภูเขาสีในรูเขายุคหันธรอุตรกรุทวีปและป่าหิ ม, มพานเป็นต้นเพราะเป็นที่ตั้งอยู่ตลอดกับ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคายคือละพักธรรมแม้เหล่านี้ด้วยการละฉันทะคะอันเนื่องกับพักธรรมนั้นเพราะก้าวล่วงการอยู่ของสัตว์ผู้อาศรรยัยอยู่ในโลกนั้นแหลคือพระองค์เนี่ยนะคายออกหมดจริงๆซึ่งต่างจากหมูสัตว์เนี่ยนะไปเที่ยวสูบเนี่ยนะไปเที่ยวสูบไปเที่ยวแบบคล้ายมือปลาเมึกกันนะไปเที่ยวรัดรัดรัดมัดมัดมั ด, มดเห็นดอกไม้ก็ไปร้อยไปรัดไปมัดเห็นอาหารมันหน้า ก, กินไปหมดเลยอย่างเงนนะ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 มีพิษเขาก็รีบขายออกดังนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยเขาไม่ต้องรอให้พิษกำเริบก่อนแล้วค่อยขายแต่คนพานทั้งหลายก็รอให้พิษมันกำเริบแล้วก็ยังห่วงอีกกว่าจะหามากลืนได้ลายทิ้งทําไมงี้ย น, นะก็เลยขอตายไปกับอาหารที่ตัวเองสแสวงหามาด้วยความเหนื่อยยากนั่นแหละแต่ว่าพระองค์นี้ตัดฉันราคะในสิ่งเหล่านั้นได้โดยประการทั้งปวงหมดแล้วสรุปสรุปว่า สรุปเอวเมสุตังเอกังสมยังพะควานี่นะแปลเป็นภาษาไทยทนอในครั้งหนึ่งนะข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอธิบายอยู่เข่านี้นะไม่ได้เดินเรื่องไปถึงไหนหรอกคำว่าเอวเมสุตังก่อนที่แปลว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้คือพระอนนเถระเมื่อกล่าวธรรมะตามที่ได้สดับมาจึงทาโครงร่างแห่งธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ประจักษ์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 คือธรรมะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงวินัยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติที่ทั้งแสดงทั้งบัญญัติแก่พวกเธอทำและวินัยนั้นจะเป็นพระาศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงไปแล้วจากพุทธพจน์อันนี้เนี่ยนะทำให้คิดอย่างหนึ่งว่ามูสัตถ์ถ้าสัตว์ใดที่ไม่ต้องการปริยัตก็แปลว่าไม่ต้องการาศาสดานนสัตว์ที่ไม่ต้องการปริยัติก็คือไม่ต้องการพระาศาสดาแสดงว่าไม่ต้องการ พระพุทธเจ้าหลายท่านก็เลยบน่นเมื่อไหรจะเรียนจบสักทีจะได้ไปปฏิบัติเนี่ยนะแสดงว่าเบื่อในการเข้าเฝ้าเต็มทีแล้วมันงั้นเหมันก็อย่าลืมว่าพระพระพุทธพจน์ทั้งหมดนี้คือศาสดาของเราทั้งหลายเนศนะาสดาธรรมวินัยนี้ดํารงอยู่ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าและก็ใครที่เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าโดยรู ป, ปากายก็ไม่ต้อง ไม่ต้องหนักใจแล้วเนี่ยนะไม่ต้องหนักใจเพราะคําสอนถือว่าสมัยนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในยุคนี้เนี่ยนะเพราะว่าคําสอนที่มีอยู่ที่กรุไหนที่เขาไปเก็บเก็บไว้นะเขาเรื่อออกมาพิมพ์มาแจกมากระใจายในสมัยนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดมีการแปลแม้กระทั่งชาวชนบทเป็นต้นเนี่ยนะประชาชนทั่วๆไปได้เรียนได้อ่านถือว่าเป็นสมัยที่ยุคนี้ถือว่าเฟื่องฟูที่สุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ ปฏิรูปมากที่สุดอีกเหมือนกันนะเพราะว่าตีความกันต่างๆ น, นานาโดยมากที่ขอเดินตามศึกษาตามเรียนตามรู้ตามขอเห็นตามเนี่ยที่สมาทานลักษณะนี้ไม่ค่อยมีมากก็เลยพยายามหาทางเลือกใหม่ๆนะหาทางเลือกใหม่ๆก็หลายท่านก็เลยเสนอทางเลือกใหม่ๆขึ้นมาเสนอไปเสนอมาก็เลยนะติดสติ๊กเกอร์พระพุทธเจ้าแต่ว่าเนื้อในไม่ใช่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 เข้ากับสูตรใดแล้วขัดกับสูตรใดเป็นไปตามคำสอนหรือไม่หรือขัดกับคำสอนเนี่ยนะต้องต้องตรวจสอบอย่างนี้ให้ได้ทั้งหมดถ้าตรวจสอบอย่างนี้ไม่ได้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากเนี่ยนะ น, น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นคำสอนอะไรไม่ใช่คาสอนอย่างที่สุดอย่างเช่นเอาแบบเมื่อชาวลาสวดมงค์ละูตรเนี่ยนะ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 หรือว่าถูกทำถูกวินัยเป็นต้นอันนี้ต้องเช็คให้ดีจริงๆเลยแล้วก็ทุกคนรับผิดชอบด้วยตัวเองคำว่าเอกังสมยังพะควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระอนุเทระเมื่อแสดงว่าในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพระชนอยู่จึงสาธกการปริณิพานด้วยรู ป, ปรกายตอนนี้นะตอนนี้พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ไหม ่อยูตอนที่พระอ น, นุเนี่ยเอาพระธรรมวินัยสังขยาณาพระพุทธเจ้าก็ดับขันปรินิพานแปลว่าเผาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโยเหตุนั้นพระอ น, นุนเนี่ยให้ชนผู้มัวเมาเพราะความมัวเมาในชีวิตให้สังเวทและให้เกิดความภาคเพียรพยายามในพระสัต ธ, ธรรมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยทรงแสดงธรรมแสดงธรรมมีล้าอย่างเช่นนี้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 ยังดับขันปริณิพานแล้วของเราล่ะอีกกี่วันเนอะก็ที่แน่ๆก็นักโทษประหารเหมือนกันนั่นแหละประหารในฐานะไหนอีกเรื่องหนึ่งนะที่ใดแต่ว่ายังไงก็ตายกันหมดแหละเชื่อเหรอก็เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแหละจริงเกิดร้อยก็ตายร้อยหนึ่งไม่เคยลดหย่อนเลยแม้แต่คนเดียวสัตว์ที่เกิดมาในโลกก็ต้องตายหมด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 ของพระอริยะทั้งหลายท่านมีการประพฤติปฏิบัติไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8คนพานทั้งหลายทิ้งกายนี้ถือเอากายใหม่ทิ้งมนุษย์ถือเอาอบายเป็นต้นเนยนะแต่ของพระอริยะไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทิ้งกายนี้แล้วก็เรียกว่าทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดเป็นประดุจตาลยอดด้วนนะเพราะไม่ถือเอากายอื่นๆอีกแล้วไม่ต้องไปแ บ, บกกองทุกข์อันใหม่อีกแล้ว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 คําว่าวิมุตต์เนี่ยปกติแล้ววิมุตต์นี่มีอยู่ห้าอย่างใช่ไหมวิมุตต์เนี่ยในอัตถิฐานหน้าห้าสิบที่กล่าวว่าสวอยวิมุตต์ปกติคําว่าวิมุตต์มีห้าอย่างหนึ่งตทางข้าววิมุตต์สองวิขัมพนะวิมุตต์สสมุเฉทวิมุตต์สี่ปฏิปัสสัททิวิมุตต์ห้านิสรณาวิมุตต์เนี่ย คิดง่ายๆว่าตทางค้าวิมุตต์คือวิปัสนาวิขัมภนวมม ะ, มะวิมุตต์คือสมถะสมุทเฉทวิมุตต์คืออริยมรติปฏิปสัททิวิมุตต์คืออริยผลนิสรณวิมุตต์คือนิพพานนี่นอธิบายตามลําดับว่าความหลุดพ้นโดยการหลุดพ้นจากธรรมะอันเป็นข้าศึกนั้นๆด้วยคุณธรรมองค์คุณหรือคุณธรรมนั้นๆ เช่นมีการบริจาคไทยธรรมเป็นต้นบริจาคไทยธรรมนี้ละอะไรละความตรณีหรือว่าละด้วยองค์แห่งวิปัสสนามีการกำหนดนามรูปเป็นต้นตราบเท่าที่องค์นั้นนั้นยังเป็นไปโดยไม่มีการเสื่อมจัดเป็นปหานะคือการละมาไล่าตามลำดับนะเช่นว่า หลุดพ้นจากความตรนีและความโลภเป็นต้นด้วยการให้ทานอันนี้หนึ่งเห็นชาติเลยหนึ่งถ้าเราจะละความโลภละความตรนีก็ต้องด้วยการให้ทานละเว้นจากปานาติบาศด้วยศีลละเว้นจากอธินาทานก็ละด้วยศีลละการเมีสุมิจฉาจารก็ด้วยศีลละมูสาวาละการดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นก็ละด้วยศีล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 หลุดพ้นจากทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุไม่เสมอกันด้วยการกำหนดปัจจัยแห่งปัจจัยและธรรมที่ไม่ใช่ปัจจัยทิฏฐิที่ไม่มีเหตุหมายถึงอเหตุตุกตาทิฏฐิถือว่าทุกอย่างเกิดลอยลอยใช่ไหมเมื<ค><า>ม่อกำหนดปัจจัยเช่นอวิชชาตันหากรรมเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยเนี่ยจะถือว่าขันทั้งหลายเกิดลอยอยไหมไม่หรือบางพวกก็ถือว่ามีผู้เสกสรร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 ความสงสัยนี่สงสัยอะไรสงสัยสงสัย16นะสงสัยอดีต5้าอนาคต5สงสัยปัจจุบัน6ถ้ากาหนดความเป็นไปของนามรูปอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเชื่อมโยงกันอย่างนี้ได้อย่างตลอดสายก็จะละความสงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะเพราะเห็นความเป็นไปแห่งนามรูปทั้งหลาย ละจากการยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา s <S ด้วยการพิจารณาถึงนะรูปกลาปะนะรูปกลาปะหรืออรูปกลาปะก็คือรูปสัมมาสนะอรูปสัมมาสนานั่นก็คือสัมมาสนญญาณนะรูปสติกะอรูปสติกะเป็นต้นถ้ากำหนดได้ตามนั้นก็การยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราก็เป็นอันถูกละไปอันนี้หมายถึงสัมมาสาาัญญาณนั่นเอง หลุดพ้นจากความสําคัญในธรรมที่ไม่ใช่มัคว่าเป็นมัคด้วยการกําหนดมัคขามัคคะคือกําหนดว่าอะไรเป็นมัคและไม่ใช่มัควิปัสสโนปกิเลสสิบไม่ใช่มัคอนุปัสนาเจ็ดเป็นมัคเนี่ยนะเพราะถ้าหลงชื่นชมในวิปัสสโนปกิเลสสิบไม่ใช่มัคแน่นอนมัคนั้นก็คืออนุปัสนาเจ็ดหลุดพ้นจากอุเฉททิฏฐิด้วยเห็นความ เกิดขึ้นแห่งนามรูปมันเกิดยังไงนามรูปเกิดโดยอาการเท่าไร น, น, นะนะรูปนามก็คือขันห้าก็เกิดด้วยอาการ25 น, นนะก็ถ้าเห็นรูปนามเกิดโดยอาการ25ก็ละอุดเฉททิฏฐิได้ละสัตตติฏฐิด้วยการเห็นความดับแห่งนามรูปนามรูปดับโดยอาการเท่าไร่ 25เนี่ยนะงั้นถ้าเห็นอาการดับของนามรูปโดยอาการ25ก็ละสัสตทิฐิได้แสดงว่าจะละสัสตัตตทิฐิอุชเชททิฐิก็ต้องเห็นนามรูปที่เกิดดับโดยอาการ50 50ิละจากความสําคัญในสิ่งที่มีภัยว่าไม่เบ็ไม่เป็นภยัยด้วยการเห็นว่าเป็นภยัยคือปกตินะมูสัตว์ทั้งหลายไม่เคยคิดว่าสังขารนี่เป็นภัยเลย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 น่ายินดีด้วยการเห็นว่าเป็นโทษก็คืออาทีนวายานเนี่ยนะเห็นว่าอุปอุปปาทประวัตานิมิตตาอายุหะคตินิมิตปฏิสนธิเป็นต้นเนี่ยนะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมีโทษเนี่ยนะเห็นว่าการเป็นไปในวัตฏะเป็นโทษการเกิดขึ้นในวัตฏะเป็นโทษเป็นต้นเนี่ยนะละความสําคัญรูปว่าหน้าเพลิดเพลินด้วยการเห็นรูปว่าหน่าเบื่อหน่ายคือละละควนันทิอะนะด้วยนิพิทาใช่ไหม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 ละด้วยมูนจิตุกรรมมยตาเพราะมูนจิตุกรรมมยตายาเนี่ยเป็นยานที่ต้องการออกไม่เอาแล้วไม่ไม่อยู่แล้วออกอย่างเดียวแต่ว่าปกติของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ต้องการจะออกอะไรต้องการจะอยู่เนี่ยนะละจากความไม่วางเฉยด้วยอุเบขาเนี่ยนะอันนี้เป็นอุเบขาตัวนี้นี่คืออุเบขาในสังขารุปเปกขายานเนี่ยนะก็คือพิจารณา วางเฉยด้วยอาการสองวางเฉยด้วยอาการสี่วางเฉยด้วยอาการหกวางเฉยด้วยอาการแปดวางเฉยด้วยอาการสิบสองวางเฉยด้วยอาการสี่สองไม่ใช่ทำตัวเฉยๆแล้วโง่ตามเดิมเนี่ยนะันอันนี้หมายถึงสังขารุเปกขายานที่วางเฉยด้วยอาการสองอาการสี่อาการ6อาการ8ดอาการส2สองอาการสี่สเนี่ยนะไม่ใช่เฉยๆซึมนะง่วงเต็มทีแลอะไรเงี้ยไม่ใช่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 ส่วนไอภาวะปฏิโลมก็คือมันเข้าใจตรงกันข้ามในหนทางที่จะออกจากวัตะและ้วก็ความเข้าใจผิดในพระนิพพานเป็นต้นอันนี้ต้องละด้วยอนุโลมยานเพราะอนุโลมมยานนี่สอดคล้องต่อวิปัสสนาญาณก่อนหน้านี้และก็อนุโลมต่อโพธิปัจขียธรรมที่จะตรัสรู้อริยสัจหลุดพ้นจากภาวะมีสังขารนิมิตก็คื อ, คอหลุดพ้นจากนิมิตคือขันหด้วยโคตรภูยานเพราะโคตรภูญานมี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 หลุดพ้นในการกำหนดส่วนอื่นของนามรูปหลุดพ้นด้วยการพิจารณารูปกะลาพิจารณ า, าหลุดพ้นด้วยกำหนดมรคไม่ใช่มรค ก, กำหนดด้วยหลุดพ้นด้วยการเห็นความเกิดหลุดพ้นด้วยเห็นความดับหลุดพ้นด้วยเห็นว่าเป็นภัยหลุดพ้นว่ามีโทษน่าเบื่อหน่ายใครจะพ้นเป็นต้นอันนี้คือคุณธรรมที่เป็นยานะเป็นปัญญาที่ออกอ น, นะซึ่งตรงกันข้ามกับความ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 กำหนดธรรมละหลุดพ้นจากอารติด้วยปรามโมทห ล, ลุดพ้นจากอวิชชาด้วยญาณะหลุดพ้นจากนิวรด้วยประถมไฌานห ล, ลุดพ้นจากวิตกวิจารณด้วยทุติยฌานหลุดพ้นจากปีติด้วยตติยฌานหลุดพ้นจากสุขทุกข์ด้วยจตุตฌานหลุดพ้นจากรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานาตตะสัญญาด้วยอาคาสารัญจายตนะเป็นต้นเขาจการหลุดพ้นอย่างนี้เรียกว่าวิขัมพนาวิมุติเนี่นยนะ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 หมายคําว่าถ้าโซดาปฏิมากเกิดละอะไรส ก, กายทิถิวิจิกริชาศีลพัตะปรามาสส ก, กะทาคามีมากเกิดขึ้นและอะไรเด็ดขาดการมราค้าปฏิฆะอย่างหยาบถ้าอนาคามีมากเกิดขึ้นก็ละการมราค้าปฏิฆะอย่างละเอียดถ้าอรหัตตมรรคเกิดขึ้นก็ละกิเลสที่เหลือโดยประการทั้งปวงพันอันนั้นเป็นสมุทเฉทาปหานเป็นการละโดยสิ้นเชิงอย่างแท้จริง ภาวะที่กิเลสสงบประงับในขณะแห่งผลจิตชื่อว่าปฏิปัสสัตที่วิมุตตินั้นผลจิตชื่อว่าปฏิปัสสัตที่วิมุตต์จิตที่หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงชื่อว่าพระนิพพานเพราะสลัดออกจากสังคตะธรรมทั้งปวงนี้ชื่อว่านิสรณวิมุตต์คือนิพพานนี้เป็นนิสรณวิมุตต์คือสลัดออกจากสังขารทุกชนิดเนี่ยนะแต่ในที่นี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอันนี้หมายถึงอะไร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 นั่งเข้าอารหัตผลสมาบัติเจ็วันเลยนะอรหัตผลเกิดสืบเนื่องเจ็ดวันเลยนะมีนิพพานเป็นอารมณ์ดูท่านจะมีความสุขขนาดไหนนอะนึกตามไม่ออกเลยนะสำนวนว่าคนเกิดมานอนไม่หลับเลยนะอิจฉาคนนอนหลับรู้อย่างเี้นะอันนี้แบบหยาบๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เกิดมาเนี่ยโรคกลุ่มรุมมาตลอดนะนึกถึงคนที่หายสนิทเลยจะเป็นยังไงอย่างเงนนะเอ่อ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 ที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าอรหัตผลสมา บ, บัติระดับฌานสี่ระดับจตุตธาฌานนะคืออรหัตผลปฐมฌานอรหัตผลสมาบัติทุติยะฌานอรหัตผลสมาบัติตาติยะฌานอรหัตผลสมาบัติจตุตธาฌานแต่ในที่นี้หมายถึงอรหัตผลสมาบัติระดับจตุตธาฌานถึงอุเบกขาในจตุตธาฌานอรหัตผลสมาบัติก็ชื่อว่า สุขเหมือนกันเพราะมีความสงบจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าอารหัตตผลสมาบัติอันประกอบด้วยฌานที่สี่คือเข้าจตุทัชฌานอารหัตตผลสมาบัติพระองค์ไม่เข้าสมาบัติอื่นถ้าจะเข้าพร ะ, ะสมาบัตินี่นะอีกอย่างหนึ่งการเข้าไปสงบสังขารทุกข์ชื่อเรียกว่าเป็นสุขเหมือนกัน อะไรนะอนนจาวตาสังขาราอุปัธวยธรรมมิโนอุปจิตวานิรุตชันติเตสังอุปัสโมสุขโขตรงนี้เอาเฉพาะประโยคสุดท้ายมาเตสังอุปัสโมสุขโขการเข้าไปสงบประ ง, งับสังขารเป็นสุขชันใดเฉพาะปฏิปัสสัทธิวิมุตติที่ได้ในอรหัตผลเพราะเป็นความสงบกิเลสสงบกองทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นสุขในที่นี้เพราะคําว่าคําว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขด้วยบาลังเดียวตลอด7วันเนี่ยหมายถึงการเข้าอารหัตผลสมาบัติเนี่ยนะเป็นปฏิปัสสัตที่วิมุตนะนะเป็นพระสมาบัติระดับฌานที่4ที่สงบจากกิเลสทั้งปวงสงบจากวัตทุขุกนะสงบจากอารมณ์ของวัตตะโดยประการทั้งปวงอันนี้เรียกว่านั่งเข้าสเสวยวความสุข7วันส่วนในรายละเอียดเกี่ยวกับ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 เสด็จออกจากอรหัตผลสมาธิทรงมนัสิการปฏิจจสมุบาทอันเป็นอนุโลมด้วยดีตลอดปฐมยามแห่งราตรีเรียกว่าแสดงว่าคืนคืนที่ผ่านไป7วันและแสดงว่าคืนที่8ใช่ไหมคืนที่8เนี่ยพระองค์เนี่ยมนานสิการปฏิจจสมุบาทด้วยดีไปดูหน้าหน้าเท่าไหร่ห้เนาะที่บอกว่าลด มณสิการปฏิจจสมุบาทเนี่ยนะสาธุการมณ์มณสาการสิที่บอกว่าโอหใส่ใจไว้โดยเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยมณสิการปฏิจจสมุบาทิเนี่ยใส่ใจด้วยความเคารพจริงๆทําไว้ในใจไม่ให้วิปริตพิจารณาทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือแต่ที่เอามาแสดงเนี่แสดงเฉพาะหัวข้อเนี่ยนะเพราะว่านี่เอามาแสดงแค่อะไรนะใช้เวลาสวดถึงสองนาทีไหม ไม่ถึงแต่พระพุทธเจ้าพิจารณาสีชั่วโมงอย่างเงี้ยนะพันตรงนี้เอามาแต่หัวข้อมาดูคําว่าปฏิจจสมุบาทก่อนนะ<ม>ในหน้า58าสิบแปนะปฏิจจสมุบาทย่อหน้าล่างสุดปฏิจจสมุบาทนี้เป็นชื่อของปัจยรรปจยธรรมปัจจยธรรมก็คือตัวปัจจัยนั่นแหละปฏิจจสมุบาทเป็นชื่อของปัจจัยเขามีอยู่สองคำนะปฏิจจสมุบาทกับปฏิจจสมุปปณธรรม ปฏิจจสมุปบาทเป็นชื er er er er ่อของปัจจัยปฏิจจสมุปปนะธรรมก็คือผลของปัจจัยปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาปฏิจจสมุปปนธรรมคือสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยใช่ไหมสังขารเป็นเป็นอวิชชาเป็นเหตุสังขารเป็นผลสังขารเป็นเหตุวิญญาณเป็นผลวิญญาณเป็นเหตุนามรูปเป็นผลนามรูปเป็นเหตุสลายตนะเป็นผลเป็นต้น ในสิ่งเดียวเนี่ยเช่นสังขารเป็นทั้งปัจจัยและเป็นปัจจยุปันเป็นทั้งปฏิจจสมุบาทและเป็นปฏิจจสมุปนณะธรรมสังขารเป็นปฏิจจสมุปนณะธรรมของอวิชชาเป็นปฏิจจสมุบาทของวิญญาณแต่ในรายละเอียดของปฏิจจสมุบาทจริงๆเนี่ยขอมาว่าโอกาสต่อๆไปเราคงได้เรียนกันตรงนี้ก็พอเอามากล่าวพอสมควรก็พอนะ